พุทโธสวัสดีค่ะท่านที่ FM 106 ครอบครัวข่าวแห่งนี้ดิฉันสรรเสริญ ว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาในคําสอนของพระศาสดา ต่อไปอีกแต่ว่าไม่สามารถจะ 5 นาทีอ่ะค่ะ มรณสติมรณสัญญะนะการเจริญมรณสติมรณสัญญะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีอานิสงส์ใหญ่มีผล 1 นะจะ 2 ไอ้ ถ้าเราจบอยู่แค่นี้เนี่ยก็ 2 <ใช>ว่าเอ๊ะถ้าเราพูดที่จะทําการ แล้วคนไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่นะต้องรีบที่ อย่าเพิ่งทําอย่างอื่นเลยคุณรีบละตรงนี้ก่อนนะถ้าเราเจริญ 5 นาทีตรงนั้นนะคุณอกุศลไม่มี นะเป็นที่พึ่งได้นั่นคือกุศลธรรมเช่นอะไรบ้างสมาธิก็ได้ เพื่อการละอาสวะที่ยิ่งขึ้นไปได้พอเรา อภิปิจารณาความตายแต่เป็นการเห็นตามจริงที่จักรพรรดิสมเด็จให้พูดถึงว่าให้เราพิจารณาความ ก็จะจมปลักอยู่ตรงนั้นก็พวก 3 นั่นคือการที่มีปัญญาเห็นตาม ถ้าสมมุติเราจะตายในวันนี้สมมุติใช่ท่านนะให้อ่าละค่ะและขั้นตอนที่ 3 คือให้เจริญจริงๆบางคน อุ้ยเราก็ทําอยู่แล้วไงมันมีหนังสือหรือว่ามีภาพยนตร์ก็ไม่ทราบค่ะอ๋ออืมค่ะอันนั้นมันมันเกี่ยว นั่นถ้าสิ่งที่เขาพูดมานั้นเป็นเรื่องที่เช่นการเจริญเมตตาการมีความปรารถนา ค่ะอ่าทีนี้ล่ะบางคนก็เลยต้องการเหตุผลค่ะแล้วนะภัย เขาไปที่ไหนก็ตามเนี่ยคนเค้าจะพูดถึงเรื่องคนที่มีศีลคนที่รักษาศีลนี้เราก็จะมันมามี 1 นะเดือดร้อนข้อที่ 2 <คะ. S 1> ก็คือเวลา นะเดี๋ยวสมัยนี้ก็คือไปติดคุกติดตารางนะมีการลงโทษ นะ, นะนะ 2 นะคุณเห็นได้ในปัจจุบันแน่นอนยังไม่ได้พูดถึงนรกเลยนะ 3 นั้นก็ๆเนี่ยเวลาหน้า นะ, นั่นเราไม่เห็นภูเขาเราอาจจะนึกถึงต้นไม้ก็ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ 3 ที่กุญแจเห็น 4 นั่นก็ ค่ะเอ่อนี่คือโทษที่คุณจะเห็นได้คือดิ๊นคือได้ยินอย่างเงี้ยค่ะว่าเมื่อเสีย ก็ยังไม่ต้องถึงตรงนั้นก็ การใช้ชีวิตของเราว่าจะเกิดประโยชน์ได้อย่าง นะไม่ได้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นนะไม่ได้เป็น <ทะ S 1> ที่ท่านพูดมาเนี่ยคงจะทําให้หลาย แล้วทั้งนั้นคิดเรื่องอื่นๆทั้งนั้นในเวลาเดี๋ยวนี้การเข้าถึงข้อมูลนี่ยิ่งได้รวดเร็วแล้วเนี่ยแต่ไม่ความคิด ใช้อีกคํานึงได้แล้วนะคะท่านบอกเข้าถึงไม่อย่างนั้น ว่าพวกเราควรที่จะทําตามที่การสังสรรค์นิเทศนานะคะ คนสมัยมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขารู้สึกเชื่อว่าใช่ก็ต่างความคิด ในสิ่งที่เป็นอคติ